พวกเราที่นี่ต้องถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่ได้มาใช้ประโยชน์นะจากสถานที่แห่งนี้นะในการปฏิบัติเพื่อความเจริญงอกงามของพวกเรามันเป็นที่ที่หลวงพ่อได้หลวงพ่อกำเขียนนั้นนะได้ทุ่มเทนะ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 หรือเผยแผ่ธรรมะนี่จะเรียกว่าคนละแบบกัหลวงพ่อคำเขียนก็ได้หรือว่าเท่นทานเน้นเรื่องการตั้งสำนักใกล้เมืองเช่นที่วัดโมนี่ก็ใกล้ขอนแก่นวัดสนามหนก็ใกล้กรุงเทพตอนหลังท่านก็ไปสร้างสำนักทำมิ่งขวัญก็ในตัวจังหวัดเลยเลยแต่ว่าหลวงพ่อคำเขียนท่าน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 หลวงพ่อเนี่ยท่านมาปักหลักที่นี่นยก็เพื่อชาวบ้านชาวบ้านบนหลังเขาเป็นหลักเลยแล้วก็ท่านก็ช่วยทําให้คนที่ทำมาฝายนี่เริ่มมาสนใจธรรมะสนใจศีลสนใจทำห่างไกลอไรมุกแต่ท่านก็รู้ว่ า, าการช่วยเหลือชาวบ้านนี่นะนอกจากเรื่องธรรมะแล้วเนี่ยมันต้องทําควบคู่ไป ก, กับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเขา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 แล้วก็ค่อยทำเทียรยเล็กเทีลรน้อยเนะเวลาพวกเรามาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นภาคหรือโยมยท่านจะให้พวกเราปฏิบัตินะเป็นหลักเลยส่วนเรื่อ ง, อ, งอื่นๆเนี่ยท่านดูแลเองท่านจัดการเองสมัยก่อนนี่สาระไก่นี่มันยังยังมีอยู่นะสาระไกน่นี่ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปีสองเจ็ด แต่แม้กระ น, นั้นเนี่ยเรื่องน้ำประปาเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ดูแลเองเลยมีมอตเตอร์อยู่ตัวหนึ่งตรงใกล้ๆกับที่ปั๊มน้ำปัจจุบันที่ตรงประตูทางเข้าเคลอุบาสิกาหลวงพ่อท่านรู้จักมอตเตอร์ตัวนี้ดีมากเหมือนกับคุยกันมารู้เรื่องนะคนคนอื่นที่ซ่อมไม่ถูกใจหรือซ่อมไม่ได้แต่หลวงพ่อนี่ซ่อมได้หลวงพ่อเนี่นก็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 เมื่อเข้าใจไม่ถูกต้องการปฏิบัติก็เลยผิดพลาดนะมันมีหลักการปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่งนะสำหรับชาวพุทธนะท่านใช้คำว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติที่เขาแปลกันทั่วไปคือแปลว่าปฏิปฏบัติทำน้อยคล้อยทำใหญ่หรือถ้าพูดง่ายๆคือว่าปฏิบัติทำโดยสมควรแก่ทำแปลให้ง่ายกว่านั้นก็คือว่าปฏิบัติทำ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 ยกตัวอย่างเช่ น, ทา น, นทานเนี่ยทานเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพื่อลดละเพื่อขัดเกลว์นะ mm. เพื่อทําให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวาง mm. เป็นไปเพื่อลดละความเห็นแก่ตัว mm. อันนี้นอกเหนือจากการที่ไปเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเนี่ยอันนั้นคือประโยชน์ท่านแต่ประโยชน์ตนทานก็คือเพื่อช่วยลดละความเห็นแก่ตัว mm. แต่ถ้าให้ทานไม่เป็นนะมันก็จะเป็นการพอกพูนกิเลสนะ เช่นทําบุญให้ทานก็อยากมั่งอยากมีนะทำบุญสิบอยากได้ร้อยทาบุญร้อยอยากได้ล้านนะให้ทานก็อยากจะถูกหวยนะในการทําแบบนี้เนี่ยนะการให้ทานแบบนี้เนี่ยมันเป็นการให้ทานที่ไม่ถูกต้องพระไตรปิฎกก็เคยพูดไว้นะว่าบัณฑิตเมื่อให้ทานเนี่ย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 ภาวนานี่ก็เพื่อทำให้เกิดความสงบเป็นเบื้องต้นแล้วเกิดปัญญาแต่บางคนนี่ไปข้อจะภาวนาเพื่อได้เกิดฤทธิ์เกิดเห็นสีเห็นแสงนะอยากจะเพิ่มพลังจิตให้มีความสามารถพิเศษทางจิต <c oughs> เพื่ออะไรนะ <c oughs> เพื่อเพื่อสนองกิเลสนะ <c oughs> เพื่อไปอกดข่มคนอื่น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 สันโดษก็เหมือนการสันโดษเนี่ยหมายถึงว่าการพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ซึ่งรวมไปถึงว่าการอยู่ง่ายกินง่ายบางคนไม่เข้าใจว่าสันโดษเนี่ยหมายถึงว่าพออยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปทํางานอะไรมากวั น, ว, นวันหนึ่งฉันใช้ยี่สิบบาทก็พอนะเพราะฉะนั้นถ้าหามาได้ทักสี่สิบาท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 ก็เลยทำให้คนมองว่าเอทําไมคนไทยขี้เกียจนะในเรื่องการภาวนาก็เช่นเดียวกันนะถ้าเราเข้าใจธรรมะแต่ละข้อแต่ละ ข, ข้อมีจุดมุ่งหมายอะไรเราจะใช้ถูกแล้วทาให้เกิดประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นพ่อชงเจ็นะพ่อชงเจนี่ก็เกองค์ธรรมแห่งความแห่งการตัดสู้นะซึ่งถ้าเราพิจารณาเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภท2 ส, ส่วน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 ปิติวิริยะเราก็ธรรมวิจยะธรรมวิจยะนี่เรียกไงว่าปัญญาเอาสามตัวนี้เนี่ยนะเป็นตัวฝ่ายถ้าภาษาฝรั่งเรียกวนะ่าแอคชั่นคือทำให้ใช้ในการทำการงานต่างๆเวลาเราเวลาเราเสื่องซึมนะเวลาเสื่องซึมเนี่ยถ้าใช้โพดชงไม่ถูกต้องนะเช่นไปใช้สมาธิปัจจิทธิเนี่ย มันยิ่งง่วงยิ่งซึมเข้าไปใหญ่เลยในเวลาที่เสื่องซึมเนี่ยท่านแนะว่าให้ใช้ตัวปิตินะวิริยะแล้วก็ธรรมวิจยะหรือปัญญาเนะช่นเวลาง่วงงาะเานอนเออลองพิจารณาทำดูก็ทำให้จิตมันตื่นขึ้นมาอันนี้พูุทธเจ้าก็แนะพระโมคคัลานะเหมือนกันในะเวลาท่านง่วงมากให้ลองพิจารณาทำดู ในทในทางตรงข้ามเวลาฟุ้งซ่านเนี่ยเวลาฟุ้งซ่านเนี่ยถ้ากืนไปใช้วิริยะเข้าไปหรือว่าใช้ธรรมวิจยานเนี่ยยิ่งฟุ้งซ่านหนักเข้าไปใหญ่เราต้องเข้าใจว่าในเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยต้องใช้สมาธิใช้ปัสสัตทิหรืออุเบกขาจะช่วยทำให้ใจสงบลงนะไม่ฟุ้งซ่าน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 เกิดความเพียรหรือว่ากระตุ้นให้เกิดการไตรตรองธรรมวิทยะก็ยิ่งทําให้เกิดความฟุ้งซ่านเข้าไปใหญ่นะเพราะฉนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าธรรมะแต่ละข้อเนี่ย่อยมีจุดมุ่งหมา ย, ลยแล้วก็ใช้ให้ถูกกับกรณีการใช้ธรรมะถูกกรณีนี้สําคัญมากนะนอกนจากการที่รู้จักใช้ธรรมะแต่ละข้อให้สมดุลกัน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 แล้วก็มาเสียใจภายหลังแล้วก็อาจจะท้อแท้เนะเสื่อมศรัทธาในพระสงค์ในศาสนาอันนี้ศรัทธามากไปเกิดผลเสียแต่ปัญญามากไปก็มีปัญหาไม่ยอมลงให้ใครเลยนะไม่เชื่ออะไรเลยสักอย่างนะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแต่พึ่ตะพื อ, ะพอนะก็มีปัญหาได้เหมือนกันเพราะว่าบางอย่างนี่มันต้องอาศัยศรัทธาเป็นตัวเริ่มเพื่อชี่จะทำให้เกิดการปฏิบัตินะ น่าศัทธาปัญญาก็ต้องเสมอกันวิริยะกับสมาธิคือเหมือนกันต้องเสมอการสมาธิมีมากๆนี่มันขี้เกียจนะอย่างหลวงพ่อคำเขียนสมัยที่ท่านเป็นคารุหัดนี่ท่านหนักไปทางด้านสมถะมากนะเวลาทํานานีท่านคิดถึงแต่ว่าคิดถึงแต่ห้องพระนะอยากจะกลับมามาภาวนามาทําสมาธิที่ห้องพระนะจะได้สงบ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 กับสมาธิสมดุลกันระหว่างศรัทธากับปัญญาหรือไม่แต่พวอชงก็เหมือนกันนะพวอชงท่านก็มันก็จะมีสองคู่นะที่ต้องใช้ให้สมดุล น, นะก็คือวิริยะกับสมาธิปิติกับปัสสนะัททิธรรมวิจยะ ก, กับอุเบกขาแต่ว่าในอินรี่ห้าก็ดีในในในพ่อชงเจ ก, ก็ดีเนี่ย มีตัวหนึ่งที่พิเศษกว่าใครก็คือสติสตินี้เนี่ยเรียกว่ามีคุณสมบัติเรียกว่าหลายแง่นะเป็นทั้งตัวเบรกก็ได้เป็นตัวเร่งก็ได้ไม่เหมือนกับสมาธิสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวตัวเบรกอย่างเดียวทําให้สงบทําให้นิ่งสติก็ทําให้นิ่งได้แต่ว่าสติในอีกด้านนึงก็สามารถจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้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 สติจะมีลักษณะที่มีทั้งลุกแล้วก็รับนะถ้าผู้ปสาระใหม่ๆนี่เป็นทั้งตัวลุกแล้วก็ตัวรับเป็นทั้งตัวนิ่งแล้วก็ตัวขับเคลื่อนนะไม่เหมือนกับธรรมะอื่นๆในอินรียห้าหรือว่าในพวอชงเจ็ดว่านั่นมันเป็นตัวประสานอย่างดีนะศรัท ธ, ธากับปัญญาจะได้สมดุลต้องมีสติ วิริยะกสัมมาที่จะได้สมดุลก็ต้องมีสติเป็นตัวประสานนะพวะชงเจ็ดนะที่เป็นคู่สามสามเนี่ยก็มีสติเป็นตัวเชื่อมนะเป็นตัวประสานทําให้เกิดความสมดุลดงนั้นถ้าเกิดว่าเรามีสติจริงๆนะสติในความหมายที่เป็นสัมมาสตินะก็ก็มั่นใจได้ว่านะจะดําเนินชีวิตหรือว่าจะ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 ที่พูดมานี่ก็เป็นเพียงแค่หลักนะแล้วนั่นคือเพื่อว่าทำไมพระเจ้าถึงเน้นมากนะเรื่องธรร ม, มามุรธรรมะปฏิบัตนะิการปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมอันนี้ถือว่าเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นองค์ธรรมข้อหนึ่งนะในการที่จะนําไปสู่การเป็นพระโสดาบันนะก็คือว่าให้เราเป็นกระบวนการกระบวนการแห่งการตัดสรตว์นี่มันจะมีอยู่4ี่ขั้นอันที่หนึ่งคือว่าคบหาคบหาบัณฑิตนะ ครบหาเสร็จฟังธรรมจากท่านและสมีโยนิโสมนสิการใคร่ควรทำนะและ4ี่จึงค่อยรรมานุธรรมปฏิบัติคือลงมือปฏิบัติอันนี้คือ4ขั้นตอนที่นำไปสู่ความเป็นภริยศเจ้ารรมานุธรรมปฏิบัติจะเป็นตัวท้ายตัวที่4นะพวกเราเนี่ยอาจจะมีการครบกับครูบาอาจารย์มีการครบกับบัณฑิต นะแล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วต้องมีโยนิโสมนสิการ์ด้วยและจึงจะนำไปสู่ธรรมานุธรรมปฏิบัติซึ่งจะมีผลก็คือการเป็นพระโสดาบันหรือพระยะเจ้าอันจึงสำคัญมากนะเอาละาคำนี้พุท่ทนนี้